สุกอยู่นะเป็นสุขหรือเปล่านเปลี่ยนมันน้อยฮะทุกข์มันน้อยทุกข์มันน้อยริ่งเรียกว่าสุกใช่ไหมล่ะก็คือมีสุขแต่ในสุกความหมายของพระเจ้าใช้คำว่าสุขขังเนี่ยปอรมังสุขขังนี่สุขขังอันนี้ไม่ใช่สุขเวทนาสุขตัวนี้ไม่ใช่สุขเวทนาสุขตัวนี้คือสุขแบบปาลมะแบบบรมสุข แบบอรมมัสุขหมายถึงว่าไม่ต้องการความสุขอีกต่อไปหากไปอยู่นิพพานยังต้องการความสุขอยู่มันเป็นนิพพานไม่หละ่ะไม่เป็นนิพพานไม่ใช่ตัวความสุขไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่นิพพานแล้วมีแต่สภาพสุขตลอดอย่างนั้นไม่ใช่ใช <c oughs> <c oughs> ่แล้วไม่มีตัวตนใดๆอยู่ในนิพพานพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในนิพพานแต่อันที่พูดว่าพระพุทธเจ้าเข้านิพพานนั้น พูดถึงสภาพแห่งการเข้าใช่ไหมละ่ะพอเข้าแล้วมีตัวตนอยู่ในนิพพานไหมตัวตนพระเจ้าไม่มีถ้าเข้าแล้วมันไม่มีคําว่าเข้าหมายก็ว่าปรินิพพานเข้าใช่ไหมปรินิพพานนี่คือเข้าเพราะยังไม่ปรินิพพารู้นิพพานอย่างแจ่มแจ้งแล้วยังไม่ปรินิพพานก็เข้าไม่ได้เข้าชาั้นห น, น, น, นึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้น หชั้นหชั้นเ็ดชั้นแหรือสมกาัติเข้าได้แต่นิพานเข้าไม่ได้เพราะยังไม่เป็นปรินิพานเพราะอะไรเพราะการเข้าบรินิพานอาศัยขันไม่ได้ต้องดับขันก่อนขันต้องหมดก่อน mm hmm. แต่จิตบรรลุถึงเข้าใจไหมคำว่าบรรลุถึงคือเชื่อมต่อกันด้วยอายตนะอายตนะนิพานกับอายเจนะของมณไยานายนะอายทนะของจิตเนี่ยคือมโนเชื่อมต่อกัน เชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีระหว่างท่านทุกขุขนาดเชื่อมต่อกับนิพพานพอนี้ดับปั๊บสภาพที่เชื่อมต่อปุ๊บก็ดับที่นี่เนี่ยขันดับเข้านิพพานอันนั้นเข้านิพพานแล้วใครเป็นผู้เข้าก็ผู้ที่ละอสภวะกิเลสได้แล้วนะ่ะเป็นผู้เข้าและไอ้อที่ดับอสภวะกิเลสเรียกอะไรมันหมดคํนะาที่จะเรียกแล้วเนาะเนาะม่มีคําที่จะเรียกแล้วเนาะหรือจะเรียกอะไรอีก อะไรอะธรรมชาติที่เข้ามันคือธรรมชาติอะไระมันมันดับนี้แล้วมันก็ก็คือยุติกันแล้วไม่มีการเกิดอีกที่ ท, ที่ไหนไม่มีการประกอบรูปประกอบเวทนาประกอบสัญญาประกอบสังขารประกอบวิญญาณแล้วแล้ ว, ลวนิพพานจะดำรงอยู่ยังไงเขาอธิบายถ้ามีการดำรงอยู่เป็นอัตราไหม ฮะถ้ามีการดำรงอยู่คือมีผู้ดำรงอยู่ในนิพพานเนี่ยเป็นอัตตาไหมเป็นอาตาัตตาใช่ไหมแล้วถ้าว่าไม่มีผู้ดำรงอยู่ในนิพพานเป็นอนัตตาไหมเป็นอนัตต า, นน า, ตางั้นนิพพานก็ต้องมีสองทัศนะคืออัตตากับอนัตตาเอาไม่ใชอ่อธิบายยังไงอธิบายยังไงดี เขบอกเ ข, ขก็ยกยกพุทธพจน์ขึ้นมาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาทำทั้งปวงก็ต้องรวมถึงนิพพานนิพพานจัดอยู่ในทำทั้งปวงไหมไม่อยู่ในทำทั้งปวงเอาถ้าไม่อยู่ในทำทั้งปวงแล้วทําไมถึงเรียกว่าอะไรอสังคตธรรมก็เป็นธรรมอันหนึ่งธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแล้วคำว่าสัพเพทำมา ทำทัท้งปวงทั้งหลายทั้งปวงสัพเพบอกแล้วทั้งปวงก็ต้องรวมถึงสังคตรธรรมกับอสังคตรธรรมเป็นอนัตตานั่นเท่ากับว่านิพพานเป็นอนัตตาหากอธิบายอย่างนี้คืออธิบายด้วยตัวหนังสือ น, นั่นเองนั่นคือการอธิบายทาอธิบายยังไหมจะอธิบายแบบอัตตาก็ได้จะอธิบายแบบอนัตตก็ได้ใช่ไหมล่ะอธิบายได้หมดแต่ความจริงเป็นอัตตาหรืออนัตตาล่ะ ไม่เป็นทั้งสองใช่ไหมอ็มันไม่ได้เป็นทั้งสองแต่อธิบายได้ทั้งอัตตาและอนัตตาใช่ไหมอธิบายได้เ้าบอกถ้าบอกว่าไม่เป็นทั้งสองแล้วเป็นอะไรเนี่ยก็บอกเราไม่เป็นอะไรคนมักจะบอกว่าเป็นมักจะบอกว่าอันนั้นเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอนุตเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็มัวแต่ไปบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของทิฏฐิแล้วใช่ไหมผู้เจ้าบอกว่าบุคคลผู้รู้นิรู้แจ้งโดยนิพพานแล้วยังไม่สําคัญหมายโดยทิฏฐิมานะใดใดในนิพพาน หากยังไปสำคัญมันหมายอยู่เป็นนั่นเป็นนี่ยังไม่ถึงนิพพานเมื่อยังไม่ถึงนิพพานก็อธิบายได้ในชั้นแค่ของคําพูดได้คําอธิบายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ใช่การเข้าถึงเขาบอกว่าไอ้เข้าถึงเข้าถึงไปแต่เราจะพูดยังไงให้คนได้รู้ว่านิพพานเป็นยังไงก็พูดอย่างนี้แหละเข้าใจไหมก็พูดแบบที่พูดอย่างนี้แหละว่ามันไม่ใช่ทั้งสองหาพูดแบบว่ามันไม่ใช่ทั้งสอง ไม่เชื่อว่าเป็นทิฐิอยู่เหลอคือตั้งความเห็นขึ้นมาใช่ไหมจากสิ่งที่เราไปเห็นมาหรือตั้งแง่ความเห็นในการอธิบายว่าไม่เป็นทั้งสองก็คือคาอธิบายอย่างหนึง่งใช่ไหมละ่ะก็ไม่ต่างจากว่าอัตตาหรือนัตตาไม่เป็นทั้งสองก็คือเป็นกลางกลางกลางกลางนี่ก็คือก็ยังเป็นทิฐิอยู่ไม่ใช่เหรอนะสุดท้าย่คืออะไรแล้วไอก้กลางกานี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มี คำพุทธพจน์ลองรับว่าไม่ใช่อัตตาและไม่ใช่อนาตตาไม่มีพุทธพจน์ลองนับแต่คําว่าอัตตาเขาจะใช้คําว่าอายตา น, นั้นมีอยู่เมื่อคําว่าอายตา น, นั้นมีอยู่เป็นอัตตาใช่ไหมในความอธิบายของคนนะในคําอธิบายของคนที่เขาเรียนหลักภาษามาแล้วในฝ่ายอนาตาก็บอกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนาตาก็สัพเพสัมธรรมาอนาตารวมถึงอสังคตธรรมคือตัวนิพพานนั่นเอง หากเรารู้รู้จักธรรมชาติว่านิพานอดินเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะไม่มีใครสร้างเป็นอัตตาไหมธาตุดินธาตุดินเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วก่อนจะมีโลกมนุษย์ในจักรวาลเนี่ยธาตุดินปฐวีธาตุเนี่ยเป็นอัตตาไหมนะธาตุดินเป็นอัตตาไหมมันแปรปรวนไหมอ่อนแปรปรวนใช่ไหมมันพรมพี่ไหม มันต้องสลายตัวไหมคือมันเกาะเกลุ่มกันแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ในกระดับไปธาตดินเป็นอัตตาหรืออนัตตาอนตาัตต <c oughs> าถ้าธาตดินเป็นอนัตตาแล้วบอกว่าปฏิพันธ์เป็นอนัตตางั้นธาตดินกับปฏิพานธก็เหมือนกันนะ่ะสิ <c oughs> น่ะธาตุน้ําซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วโดยไม่มีผู้สร้าง <c oughs> เป็นอัตตาหรืออนัตตา <c oughs> อนัตตาธาตุไฟเป็นอัตตาหรืออนัตตา ธาลมเป็นอัตตาหรืออนัตตาอนัตตาใช่ไหม <c oughs> แค่นี้เราสามารถคำคำนวณรู้ได้ใช่ไหมเจเอาเป็นอัตตาหรืออนัตตาอนัตตาเจตสิกเป็นอัตตาหรืออนัตตาอนัตต า, ตาเพราะอะไร <c oughs> ไม่ที่อย่างในเบื้องต้นก็คือแปรปวนในเบื้องต้น <Good. S 2> ไม่คงที่ใน่ามกลางสลายไปในที่สุดใช่ไหมล่ะเบื้องต้นนี้ก็คือแปรปวนอยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว หาควา ม, มพงที่ไม่ได้ในทําการแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดสิ่งที่พูดถึงนี้คือเรียกว่าสังขาธรรมคือมีการเกาอตัวในเบื้องต้นแต่ปวนในธรรมการแล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดมันเป็นอนัตตาใช่ไหมเราตอบพระอรห น, นตัตตาหากตอบอย่างนี้ก็เท่ากับว่าถ้าตอบว่านิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็ไม่ต่างจากธาตุดินน้าไฟลมแล้วพระเจ้าจะสอนขอเข้านิพพานทําไมก็ อ, อยู่กับธาตุดินไป ด, ดิถูกต้องไหม นิพพานมีการบังเกิดขึ้นในเบื้องต้นไหมมีการผุดเกิดขึ้นในเบื้องต้นไหมมีแปลการแปลปวนในถาำกลางไห ม, มแล้วการมีการเสื่อมสลายไปในที่สุดไหมแล้วสามารถบอกว่าเป็นอนัตตาได้ไหมฮะถ้าไม่ใช่อนัตตาแสดงว่ามันอัตตาสิเป็นตัวตนสิอัตตาคือสภาพที่ไม่แปลปวนคง ไม่ไม่อะไรไม่แปรปวนคงที่อยู่กับตัวเรือเป็นตัวตั้งอยู่ฮะเออไม่ใช่อีกไฟแทงกักนี่สองเนี่ยกลุ่มนี้ยจะใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อยู่อยู่แบบกึางกลางกลางก็ไม่เหตุแทงกักมีอยู่นะฮะฮึ ว่างไงนิทานก็มีอยู่ใช่เราจะอธิบายยังไงถ้าเป็นถูกต้องเป็นธรรมชาติที่มีอยู่หากธรรมชาติที่มีอยู่เทีย่ยงใช่ไหมถูกต้องไหมคงที่ใช่ไหมไม่สลายตัวใช่ไหมก็มเป็นอัตราดิงั้นเขาบอกอนิพานเป็นอัตร า, าก็ถูกอเขาไปใช่ค่ะเขาไม่ใช่นะ อ, อ, ใชอีกมั <S <S> นมีอยู่มันก็ต้องมีอาตาัตรา นิพพานมีอยู่แต่ตัวตนในนิพพานมีไหมไม่มเออถ้าพูดอย่างเงี้ยพอเข้าใจได้ใช่ไหนิพพานไม่จะเที่ยงแต่ไม่ใช่ใช่เที่ยงแบบอัตตายังไงแต่เป็นการเที่ยงแบบสัจจะโดยตัวของมันเองคือมันมีความคงที่โดยตัวของมันเองมันจึงชื่อว่าเป็นอสังคตธร ร, รมถาม ว, ว่าอสังคตธรรมเขาก็อธิบายว่าสัพเพทำมาอนัตตาทำเท่าไรเท่าปวงเป็นอนัตตางั้นพระนิพพานก็เป็นอนัตตาบนอยู่อย่างเงี้ย เห็นไหม <Okay. S 1> เราจะไม่พูดถึงทิฏฐิหรือการตั้งแง่ใดๆเราจะพูดถึงว่าคําสอนพระเจ้าบ่งบอกให้เราได้รับรู้อะไรเราได้เข้าใจอะไร <Yeah. S 1> เกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะบอกว่าโอ้มันเป็นขั้นสูงสุดเกินไปงั้นแสดงว่าท่านิพ้านเป็นเรื่องลี้ลับไปดิแล้วเมื่อเป็นเรื่องลี้ลับเหนือการรับรู้ของคนทั่วไปได้นั่นเท่ากับว่า ถ้าดิพานได้เป็นเรื่องที่อะไรกลายเป็นเรื่องงมงายอะไราสาระไปแล้วนะเนี่ยใลาเป็นเรื่องใช่มันก็ว่าไปไม่ไปไม่ได้ไปไม่ถึงแม้ดิพานจะเป็นสิ่งที่เข้าไปถึงยากก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเข้าถึงได้ใช่ไหมเข้าถึงยากอันนี้ยอมรับแต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงไม่ได้แล้วหากนิพานเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ แม้จะยากก็จริงแต่พระเจ้าไม่ได้ให้เราไปปฏิเสธการที่ไม่รู้จักนิพพานใช่ไหมล่ะโ์ไม่ได้บอกว่าอย่าเพิ่งมาคิดเรื่องนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่พระอง์ทรงสแสดงทัศนะของพระศาสนาเลยว่าเป้าหมายอยู่ที่นิพพานแล้วจะทํำยังไงล่ะถึงจะรู้ว่าพระนิพพานเป็นยังไงพระเจ้าก็พยายามบอกบุตรชนโดยด้านอุปมาอุปไมยใช่ไหมล่ะบอกด้วยอุปมาอุปไมยว่า ที่โลกนี้มีทุกแต่ในนิพพานไม่มีทุกโลกนี้มีความวุ่นวายในนิพพานไม่มีความวุ่นวายโลกนี้มีความไม่เที่ยงนิพพานมีความเที่ยงโลกนี้แปรปวนนิพพานไม่มีความแปรปวนอย่างเงี้ยพวงให้เทียบอย่างนี้อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในนิพพานนั้นไม่มีโลกนี้มีตัวตนนิพพานไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนใดๆนิพพานแต่ความเป็นนิพพานมี แต่ไม่ได้มีอยู่แบบอัตตาแม้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอย่างนี้ก็ตามว่าไม่ได้มีอยู่แบบอัตตาแต่เราสามารถรู้ได้เราสามารถดูได้ว่าไม่มีอัตตาใดๆเข้าไปอยู่ในนิพพานเด็ดขาดยืนยันแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าเข้านิพพานเขาอย่างไงเราก็ไปดูการปรินิพพานของพระองค์นะงค์เขายัางไงเข้าชานก่อนใช่ไหมตามลําดับอนุบุพีวิหารเก้าถูกต้องไหม เข้าฌานตามระดับแต่เวลาจิตสุดท้ายนั้นพระงค์พระองค์ยกจิตออกมาอยู่ในความเป็นกลางเนี่ยคือปกติจิตใช่ไหมไม่ได้เข้าฌานใดๆไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องก่อสภาพของสังขารจิตที่เป็นกลางนั้นหมายถึงว่าให้จิตที่เชื่อมต่อกับอายตนะนิพพานนั้นทําการดับตัวเข้ามันหมายถึงว่าให พาณิพันธ์ดับจิตในขณะที่มีนิพันธ์เป็นอารมณ์ไม่ได้ดับจิตในขณะที่มีปฐมฌานเป็นอารมณ์ทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานหรืออาการสารนะัญญาญต น, นะบิณยาณัญญายตนะอาจินจัญ ญ, ญาญตนะเนวะสัญญาณัญ ญ, ญาญตนะไม่เอาเหล่านี้เป็นอารมณ์แต่ก่อนที่จะดับนั้นเข้าสู่ฌานพวกนี้จริงคือให้ให้จิตเดินไปสู่ฌานเป็นอารมณ์อยู่แต่เวลาจะเข้านิพันธ์จริงปุ๊บให้จิตอยู่ในปกติจิตแล้ว ดับจิตดวงที่สุดท้ายนั่นน่ะดับโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์พอมีนิพพานเป็นอารมณ์ดับปุ๊บจุติไหมจุติในนิพพานไหมไม่ถ้าดับในปฐมฌานจุติด้วยอํานาจของปฐมฌานเกิดโภโบโลกใช่ไหมเห็นไหมสาระการจุติด้วยอารมณ์แห่งจิตใดที่เป็นสังขารอยู่ย่อมมีการบังเกิด ในพบทีนี้พระนิพพานเป็นธรรมชาติแห่งการดับพบทั้งปวงเมื่อจุติคือจิตดวงสุดท้ายดับนะแล้วก็สัมผัสกับนิพพานเป็นตัวดับเป็นอารมณ์แห่งการดับคือมีอันนาสือต่อกันอยู่ปั๊บเนี่ยแล้วเขานิพานงงานพานยังไงเขานิพพานยังไง จิตดวงสุดท้ายก็คือจิตที่เป็นกลางๆมีนิพพานเป็นอารมณ์อถ้าดับตรงนั้นก็ไปนิพพานเลยนั่นเห็นไหมยังบอกว่าไปนิพพานไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปเข้าถึงนิพพานอยู่ที่ไหนถึงต้องไปเอาแ <c oughs> สดงว่มีที่ไปเอาสวรรค์เราอยู่อยู่อ่ะสะวรรค์ใช่หไหมชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสมชั้นสี่ใช่หไหม เรารู้อยู่ใช่ไหมสวรรค์นร ก, กเราก็รู้อยู่อ่าเป็นคุ้มเป็นคุ้มเป็นคุมคุ้มสี่ร้อยกว่คุมเราก็รู้เป็นที่ไปกําเนิดเซระชันเราก็รู้ที่ไปที่จะไปเกิดสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์ปีกอะไรก็ว่าไปพรมเราก็รู้สูงกว่าเทวาดาทีนี่้ตามระดับชั้นสวรรค์นิพพานสูงกว่าพรมเลยถึงต้องไปจิตก็ดักดักไปรักษารวงค่ะเชื่ออาอตมาพูดเนี่ยจะเราจะเชื่อไหมว่า นิพพานอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเอาไม่ใช่อยู่ต่อหน้าล่ะอยู่ทุกที่นิพพานนะอยู่ทุกที่หากคนเข้าถึงนิพพานที่นี่เวลาดับขันจะต้องไปอยู่นิพพานที่ไหนไหมดับที่นี่ก็นิพพานที่นั่นเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าพระเจ้าเกิดอยู่เอตสัุรู้นิพพานอยู่ที่อินเดียเข่าใจไหม นิพพานจึงจะอยู่ที่อินเดียคนคนพุทธอยู่ที่ประเทศไทยเข้าถึงนิพพานแล้วปับ๊บต้องไปเข้านิพพานที่อินเดียอย่างนั้นเหรอหรือไงหาธรรมวันนิพพานมันอยู่ทุกที่ดับตรงไหนก็เข้าตรงนั้นเอาเข้าแสดงว่ามีที่เข้าสิมันไม่ใช่เข้าเข้าหนึ่งเป็นโวหารเข้าหนึ่งเป็นโวหารหากอยากจะบอกว่าเข้าสู่ธรรมชาติเดิมแห่งการไม่ปรุงแต่ง นิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติเดิมแท้หมายไม่ว่าไม่มีผู้สร้างคือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วธรรมชาติที่มีอยู่แล้วที่เป็นสังกต ธ, ธรรมกับอสังกตธรรมมีอยู่2 อ, อย่างนะสังคตะกับอสังคตะสังคตะก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานอรูปใช่ไหมล่ะสี่เออสขออภัย3จิตเจตสิกรูปจิตคือสิ่งที่ถูกเจตสิกปรุงแต่งขึ้นเพราะนั้นความมีอยู่ของจิตเนี่ยจึงมีอยู่เพราะถูกปรุงแต่งจากเจตสิก รูป ก, ก็คือดินน้ำไฟลมอันนี้มีอยู่แล้วไม่มีใครสร้างเป็นธรรมชาติดั้งเดิมดั้งเดิมคือเดิมเดิมเดิมอยู่แล้วแหละมันไม่มีใครสร้างเป็นอยู่ในส่วนของสังขาธรรมคือปรุงแต่งกันขึ้นนิพพานก็เป็นธรรมชาติเดิมที่มีอยู่แล้วเข้าสู่ธรรมชาติเดิมเพราะฉะนั้นการเข้าสู่ธรรมชาติเดิมมันไม่เป็นหาว่าธรรมชาติเดิมนั่นคืออะไรแต่ ใครเป็นผู้เข้าสู่ธรรมชาติเดิมจิตนี้ถูกปรุงแต่งนะด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปยึดเปาะในรูปซึ่งรูปนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและแปรปวนไปตามภาวะของมันเมื่อมีการในการเคลาใดก็ตามที่โลกประกอบเปนขึ้นด้วยธาตุสีดินน้ําไฟลมซึ่งยังไม่มีตัวปุษตรบุคคลตัวตนใครๆต่างๆในโลกมันเกิดขึ้นจิตดวงนี้ก็ไม่เข้าใจโลกคือไม่เข้าใจก้อนดินน้ําไฟลมที่มันรวมตัวกันอยู่นี้เป็นก้อนเนี้ย จึงลงมาเสกเงิดินจึงปรากฏผุดเกิดขึ้นเป็นร yes. ูปร <raul ic> ่างมีนามากายเป็นรูปร่างเป็นตัวตนคนก็สืบเชื้อสายมาเป็นมนุษย์ทีนี้การการถูกปรุงแต่งทางกายด้วยท่าศีลการปรุงแต่งทางจิตด้วยนามศีอย่างนี้ก็ถูกปรุงแต่งมาโดยตลอดใช่ไห้หลังเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายก็ปรุงแต่งจนมาถึงยุคนี้สมัยนี้ก็มีให้เห็นว่าเราถูกปรุงแต่งอย่างนี้ จิตดวงที่ถูกปรุงแต่งอย่างนี้ย่อมเกิดเวียนตายเวียนเกิดมนุษย์บ้างเทวโลกบ้างพรหมบ้างสาัตว์ในฉันบ้างเปรตบ้างผีปีศาจสุรกายบ้างบนเวียนอยู่อย่างนี้นะโว้อยู่แค่ทางทางที่นิพพานมีอยู่ที่นี่อยู่ตอนนี้จิตจิตดวงนั้นที่ถูกปรุงแต่งอยู่เห็นไหมมองไม่เห็นจิตที่จะเห็นนิพพานได้คือจิตที่ไม่ถูกปรุงแต่งแล้วการปรุงแต่งจิต เมื่อจิตถูกปรุงแต่งด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตจึงดำรงอยู่การปรุงแต่งนั้นปรุงแต่งด้วยอํานาจของอวิชชามันจึงเป็นการปิดบังพันธุ์พันเมื่ออวิชชาถูกทําลายลงการปรุงแต่งจิตยังมีอยู่ใช่ไหมการปรุงแต่งจิตยังมีอยู่เหมือนเดิมเจตสิกยังต้องอยู่คู่กับจิตไปตลอดนะจนกว่ า, วา อวิชาถูกทำลายลงปั๊บพระนิพพานแจมแจ้งขึ้นมาคืออวิชาดับอยู่ที่ไหนหรือถูกทำลายอยู่ที่ไหนพระนิพพานก็แจมแจ้งอยู่ที่นั่นเพราะนิพพานเป็นธรรมชาติมีอยู่ทุกที่จะอยู่พม่าโลกก็มีนิพพานจะอยู่เทวโลกก็มีนิพพานจะอยู่นรกก็มีนิพพานแต่สัตว์นรกเข้าถึงนิพพานไม่ได้ยังไงเขาถึงไม่ได้อยู่ที่กําเนิดเปรตผีปีศาจก็มีนิพพานเปรตเข้าถึงนิพพานได้ไหมได้ เปตฟังธรรมบรรลุธรรมเข้าถึงนิพพานอยู่ที่นั่นได้เลยมีในเมืองเปตในภพภูมิของเปตพบมนุษย์ก็มีนิพพานเพราะนั้นนิพพานไม่ใช่สถานที่แต่เป็นธรรมชาติที่ครอบคุมเป็นธรรมะที่เรียกว่าอสาังคตธรรมที่มีอยู่ทุกที่ที่อยู่แต่ไม่ได้แทรกอยู่ในอสังคตะาเข้าใจไหมไม่ได้แทรกแต่มันเป็นธรรมชาติที่อยู่โดยที่ ไม่ได้ปะปกนกันกับอสังคตธรรมจะต้องฝึกจิตจิตดวงที่มันเบียนตายเป็นเกิดเนี่ยฝึกจิตให้ละลายตัวของมันละลายอัตตาของมันทั้งหมดคือทําตัวอัตตาทั้งหมดในจิตเนี่ยทำลายตัวของมันเองเมื่อจิตทําลายทั้งหมดแต่จิตจะถูกทําลายได้ก็่ต่อเมื่อเห็นเห็นนิพพานเท่านั้นจึงจะถูกทําลายหากยังไม่เห็นนิพพานจิตก็ยังจะก่อตัวตัวเองไปเรื่อยเป็นตัวตน จิตมันก่อตัวเป็นตัวตนด้วยอานาจของเจตสิกที่มีอวิชชารองรับอยู่อย่างเงี้ยก่อตัวตัวเองตัวเรื่อยๆมีตัวตนอยู่ในนั้นอยู่เรื่อยจึงมีเกาะยึดเกาะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอยู่ตลอดยึดเกาะอยู่ในภพภูมิพอมันสัมผัสที่ผ่านปุ๊บด้วยสมาธิิอัตตาในจิตถูกทําลายลงนะเมื่ออัตตาในจิตถูกทําลายลงตัวจิตสลายคือตัวตนของจิตสลาย เมื่อตัวตนของจิตสลายลงปับ๊บจิตที่เห็นนิพพานเนี่ยนะตัวตนของจิตสลายลงปั๊บเนี่ยเจตสิกยังมีน ะ, ะเจตสิกยังมีแต่ตัวตนของจิตไม่มีใช่ไหมตัวนี้อย่าลงประเด็นเพราะฉะนั้นเจตสิกมีอยู่จิตก็ต้องมีอยู่เจตสิกไม่มีจิตก็ต้องไม่มีนะ ตัวตนเรียกว่าอัตตาของจิตเกิดขึ้นมาหลังจากที่เจตสิกปรุงแต่งให้จิตมีอยู่การที่ตัวตนของจิตเกิดขึ้นมีอยู่ได้นั้นเนื่องมาจากว่าจิตหลงอยู่ในความปรุงแต่งของเจตสิกที่ปรุงแต่งว่าตนเองมีตัวตนหรือพูดได้ง่ายว่าจิตมีตัวตนด้วยตัวของตัวเองนั้นคือจิตเข้าใจเอาเองจิตหลงเองว่าตนเองมีตัวตน แล้วความมีตัวตนนั้นจึงถูกสร้างขึ้นมาด้วยทิฐิของจิตเองนะความมีตัวตนจึงพ่อโพนขึ้นมาด้วยอํานาจของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้คืเรียกว่าเครื่องปรุงแต่งจิตทีนี้พระพุทธเจ้าทรงการทำพระนิพพานให้แจ้งในจิตแล้วปั๊บเนี่ยตัวตนที่ถูกปรุงแต่งมาด้วยน อ, อํานาจของเจตสิกเนี่ยทำลายลงไป ตัวตนทั้งหมดแต่ระบบของจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยเจตสิกก็ยังต้องมีนะยังต้องมีอยู่เพราะจิตเป็นสังคตธรรมจิตไม่ใช่อักสังคตธรรมหากจิตเป็นอักษสังคตธรรมมาแต่ดั้งเดิมจิตจะถูกปรุงแต่งได้ไหมไม่ได้เหมือนกับธรมธรมชาติของนิพพานนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นอักสังคตธรรมไม่สามารถปรุงแต่งได้เลยไม่มีอะไรไปปรุงแต่งนิพพานได้เลย อาการสาัญญายตนาชานก็ปุงแต่งไม่ได้อากินจัญญาอวิญญาณัญจา ย, ยตนาชานก็ปูงแต่งนิพานไม่ได้อากินจัญญายตนาชานก็ปุงแต่งนิพานไม่ได้เนวะสัญญาณาสัญญายตนาชานก็ปุงแต่งนิพานไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงนิพานได้แม้แต่องค์ฌานทั้งหมดที่เป็นคุณสมบัติของจิตที่คนเข้าถึงแต่โดยปกติในขณะที่บำเพ็ญในขณะที่เป็นมรุษย์เนี่ยเข้าถึงนิพานแล้วเนี่ยฌานพวกนี้ยังติดตามไปไหม โซดาปฏิมากสกการาก็มีมากอนาคาม่มาก อ, าาาากอารหัตต์มักติดตามเข้านิพพานไปได้ไหมเพราะพวกนี้ยังเป็นสังขตธรรมใช่ไหมจิตเป็นสังขตธรรมไหมเป็นใช่ไหมเพราะจิตไม่ใช่อสังขตธรรมเมื่อจิตไม่ใช่อสังขตธรรมจิตเป็นสังขตธรรมเนี่ยสังขตธรรมจะเข้านิพพานได้ไหมไม่ได้แล้วอะไรเขา้านิพพาน งงกันไปใหญ่แล้วทีนี้งงไปไหน <c oughs> เขาบอกว่าต้องเป็นอสังคตธรรมกับอสังคตธรรมถึงจะอยู่ด้วยกันได้ธรรมที่ไม่ปรุงแต่งกับธรรมที่ไม่ปรุงแต่งจึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่ธรรมที่ไม่ปรุงแต่งมีอยู่อันเดียวคือนิพันต์อสังคตธรรมมีอยู่อันเดียวคือนิพันต์อสังคตธรรมไม่เคยพูดถึงอย่างอื่นเลยพูดถึงนิพันต์ส่วนเดียวแต่สังคตธรรมก็มี จิตเสิกรูปใช่ไหมล่ะทั้งหมดเลยประเภทสังขารทั้งหมดเป็นสังกัตธรรมเพราะนั้นสังคัตธรรมเข้านิพพานไม่ได้จิตก็เป็นสังคัตธรรมจิตก็เข้านิพพานไม่ได้งงเงินไมใหญ่แล้วจะเข้ า, น, ขานิพพานทาไม แล้วใครเป็นผู้เกิดจิตก็สักแต่ว่าจิตใครเป็นผู้เกิดจิตจะเกิดก็ปล่อยให้จิตเกิดไปที่ไม่มีตัวตนของใครอยู่แล้วไม่เใช่เหรอเป็นสังขตะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่แล้วขณะนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตของพระเจ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหมหรือจิตของพระเจ้าคงที่ตลอด พูดง่ายๆว่าจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระริเจ้าเนี่ยถูกปรุงแต่งด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไห ม, ไมเอาทําไมจะไปถูกปรุงแตง่งพระเจ้ายังหิวอยู่อ่ะอานอนท์เราหิวอานอนท์เราเหนื่อยอานอนท์เราก็หายยังพูดกับพระอานอนท์อยู่อ่ะอานอนท์เราปวดศีรษะอานอนท์เราปวดหลังเอาก็ยังพูดกับพระอานอนท์อยู่มันเป็นแค่อาการนะครับแต่ว่าจิตมันไม่ได้ไปรองรับหรือเปล่าไม่ ไ, ไม่แน่ใจครับอันนั้นคือเราคิด เพราอย่างพูะพุทธเจ้าก็เคยปวดหลังอะไรอยู่นะครับนั่นก็คือถูกปรุงแต่งแต่เมื่อกี้อัสังคตธรรมไม่ปรุงแต่งใช่ไหมครับใช่นิพพานเท่านั้นที่ไม่ถูกปรุงแต่งแต่สังคตธรรมตื่นตื่นนสังเอารวบเป็นสังคตธรรมไหมกายเนี่ยเป็นสังคตธรรมใช่ไหมถูกปรุงแต่งได้ใช่ไหมเวทนาเป็นสังคตธรรมใช่ไหม สัญญาเป็นสังคตธรรมใช่ไหมเป็นสังขารเป็นสังคตธรรมใช่ไหมเป็นจิตเป็นสังคตธรรมหรืออสังคตธรรมสังคตธรรมคือธรรมที่ปรุงแต่งก็นีนเมื่อจิตของพระพุทธเจ้าก็คือจิตทั่วทไปทําไมจะถูกปรุงแต่งไม่ได้ล่ะแต่พระพุทธเจ้ามีจิตหรอครับเอาอัตตาในจิตไม่มีแต่ตัวจิตมี ระบบของจิตมีคือระบบที่ปรุงแต่งจิตมีแต่อัตตาในจิตไม่มีอัตตานั้นถูกทำลายตัวตนในจิตความเห็นทิฏฐิที่เห็นว่าเป็นตนในจิตไม่มีคิดให้ดีคิดให้ดีเพราะว่าอวิชชาถูกทำลายไปแล้ว อานนไล่ไลพระพวกนั้นหนีสิพูธเจ้าว่าทำไมเสียงดังอย่างกระชาวประมงแย่งปลากันจิตพวกองถูกเสียงนั้นปรุงแต่งให้ได้รับความลำคาญไม่สำราญพระไทยไล่พระนั้นออกจากอารามไม่ให้เข้ามาอยู่ในอารามพอะเสียงดังเกินไปจิตของโพล้มไปในวิเวกเมื่อถูกเสีย ง, งต่างๆรนลวนปรุงแต่งในจิตโพล ก, ก็ไม่ชอบจิตถูกปรุงแต่งไหมผูเจ้า แต่จิตที่ถูกปรุงแต่งนี้ไม่ได้ก้าวล่วงอกุศลใช่ไหมไม่มีกิเลสเจือปนใช่ไหมไ ม, หไม่มีอวิชชาเจือปนใช่ไหมจิตที่ถูกปรุงแต่งเป็นการถูกปรุงแต่งด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ใช่ไหมเจ็บก็บอกว่าเจ็บตามธรรมดาใช่ไหมเหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อยตามธรรมชาติแห่งการปรุงแต่งของมันใช่ไหมไม่ชอบใจว่าเสียงมันมากระทบเสียงนี้มันกระทบก็พูดตามหลักธรรมชาติ ของจิตที่มันรับทราบสิ่งนั้นใช่ไหมไม่มีกิเลสเจือพลนะแต่มนุษย์เราเอามนุษย์เราบุทชนคนทั่วไปเมื่อเกิดอะไรเกิดความโลภ ปรุงแต่งจิตด้วยอํานาจแห่งสุขเวทนาเพียงพออยู่แค่นั้นไหมเมืม่อความโกรธปรุงแต่งจิตด้วยอํานาจแห่งการที่มีอารมณ์ขัดแย้งภายในอย่างเงี้ยสามารถทําจิตให้เป็นกลางได้ไหมไม่ได้ผู้ชมทําไม่ได้แล้วเมื่อหลงไม่รู้ยึดถือในตัวตนว่าเป็นตัวของตัวเองโมหะครอบงํา สามารถปล่อยวางได้ไหมไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าเราถูกปรุงแตง่งจิตถูกปรุงแตง่งโลภไห ม, ไมโกรธไหมหลงไห ม, ไมก็ไม่มีตัวตนของพระ อ, องค์ถามว่าถูกปรุงแต่งไหมถูกปรุงแตง่งแต่ไม่มีตัวตนเป็นผู้รับการถูกปรุงแตง่งเห็นไหมจิตเป็นสังขาตรธรรมจิตไม่ใช่ตัวที่จะเข้านิพพานเพราะจิตเป็น สังคตตาสังคตตาจะเข้านิพพานได้ยังไงถูกปรุงแตง่ ง, แ ต, งแต่จิตนั้นเมื่อรู้นิพพานแล้วดับแล้วดับเลยไม่เกิดอีกใช่ไห ม, ไม เ, เ, เพราะว่ามีธรรมชาติของนิพพานเป็นอารมณ์จิตของบุรุชนทั่วไปมีรูปเป็นอารมณ์ใช่ไหมล่ะมีเสียงเป็นอารมณ์ มีกินเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีโพอทภะสัมผัสเป็นอารมณ์มีท่อารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการยึดถือเนี่ยจิตของบุคคลทั่วไปจิตของพระาริยเจ้าของพุทธเจ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์แต่อาการปูงแต่งทางตาหูจมูกลิน้นกายใจปูงแต่งไปตามธรรมชาติที่ไม่ถูกครอบงาด้วยอํานาจของกิเลสทีนี้จะพูดถึงว่า นิพพานเป็นอัตตาหรืออัตตาเนี่ยต้องพูดถึงมาเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมว่านิพพานซึ่งเป็นธรร ม, ามาชาติที่มีอยู่แล้วก่อนที่พระพระเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือพระทธเจ้าจะละไปแล้วนิพพานก็ยังคงมีไม่ได้หายไปไหนไม่ใช่ว่านิพพานเกิดขึ้นตอนที่พระเจ้าบรรลุตอนเป็นสมาสสมบุทรจึงมีนิพพานไม่ใช่จะมีตอนนั้นมีก่อนหน้าพุทธองค์เมื่อพองรู้จากธรรมาชาติของนิพพานซึ่งมีอยู่คือธรรมาชาติที่ไม่ปรุงแต่งมีอยู่ แล้วจะสามารถดับการเวียนว่ายตายเกิดของจิตจิตดวงที่รู้นิพพานนั้นจะยุติตัวเองคือดับตัวเองดับโดยไม่มีอารมณ์ที่จะปรุงแต่งเป็นปฏิสนธิก่เป็นภพชาติเข้าใจไหมไม่มีตัวตัวไหนก่อเป็นตัวภพชาติเพราะนิพพานเป็นตัวยุติคือหยุดยับยัง้งหรือทําให้มันสูญพันธ์ทเหมือนข้ามีเป็นพืชพันธุ์ก็ทําให้พืชพันธ์นั้นสูญพันไป อย่างเงี้ยถูกตัดต่อพันธุกรรมไม่งอกใหม่ไม่มไมจเจริญเติบโ ต, ตใหม่ในภายหลังความเป็นเม็ดพืชพันธุ์นี้ใช่ไหมละ่ะแต่เอาไปที่ไหนมันก็ไม่งอกมันถูกตัดต่อไปแล้วถูกทําลายพืชภายในแล้วอย่างเงี้ยอาจารแสดงว่าเพียงให้จิตได้สัมผัสพระนิพพานเท่านั้นก็ก็คือจะไม่ไม่มีการเกิดไม่มีการเกิดอีกนี้ที่ไนไหนแค่สัมผัสนะคะแค่บรรลุถึงไง บรรลุถึงก็คือสัมผัสนั่นแหละแต่ถามว่าเข้านิพพานาเป็นภาษาใช่ไหนเป็นวโวหารเป็นวโวหารในการพูดว่าพุทธเจ้าเข้านิพพานจริงๆไม่มีการเข้าเพราะในนิพพานไม่มีการไปไม่มีการมาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแยกโวหารการพูดว่าไปพานิพพานติดตามพุทธเจ้าไปถึงนิพพานต้องแยกว่ามันได้ไปไหนคือเมื่อรู้นิพพานอยู่ที่นี่ จิตขันทั้งหมดดับรอบเรียกว่าปรินิพานนะดับรอบเพิ่ไม่มีการเกิอดอีกนั่นแหละเรียกนิพานแล้วก็คือเป็นธรรมชาติแห่งการดับแสดงว่าไม่มีตัวตนของใครหลังจากตายไปแล้วเมื่อเข้าถึงนิพานใช่มงั้นพุทธศรสนาก็มีทิฏฐิวาทะในเรื่องของการขาดศูนย์นสิ ตายแล้วศูนย์าศูนย์สิอะไกันไม่มีตัวตนของใครอยู่นี่นิพพานก็ขาศูนย์ดิก็เฉพาะคนที่ทำลายอวิชชาได้คนที่ทำลายแสดงว่าพระอรหันต์นั้นเป็นบุคคลประเภทขาศูนย์ตายแล้วขาศูนย์เลยใช่ไหมใช่ว่าภาษาลิบุตรไม่ได้เข้านิพพานพระโมคคัลนะก็ไม่ได้เข้านิพพานไม่ได้อยู่ในนิพพานพระกะสปะ พระอนุทุธาพรนุนก็ไม่ได้อยู่ในนิพพานในตอนนี้พุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในนิพพานถือว่าขาดศูนย์หมดมก็มีอยู่ฮะเอาอย่างถ้ามีอยู่ก็มีอาตาัตราดิก็ก็ขาดศูนย์ไปแล้วไม่ใช่หรอคะไม่ขาดศูนย์พุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าขาดศูนย์ผู้ที่มีความเห็นว่าพระอารหันต์และพระริยเจ้าดับสังขารทั้งปวงแล้วขาดศูนย์ผู้นั้นเป็นวิชาทิฏฐ ก็ไม่ได้กลับมาเกิดแล้วนะคะก็ถูกไม่มีการเรียนก็บอกแล้วจิตดวงนั้นเมื่อสัมผัสนิพานแล้วมเมื่อมีนิพานเป็นอารมณ์อารมณ์ทั้งปวงในโลกเป็นอารมณ์ที่นําสู่การเกิดรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอารมณ์ที่นุ่มนสู่การเกิดเข้าใจไหมแต่นิพานไม่ใช่อารมณ์ที่นําสู่การเกิดจิตที่รับรู้นิพานปั๊บตอนที่ดับจิตสุดท้ายพอพอมันดับคือปกติจิตมันก็เกิดดับเกิดดับแต่มันเกิดดับโดยมีรูปมีเสียงกลิ่นมีรสเป็นอารมณ์ โดยการยึดเหนี่ยเวเราเรียกสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ดับไปพร้อมกับอารมณ์เหล่านั้นเมื่อดับไปพร้อมกับอารมณ์เหล่านั้นเอาก่อนใกล้จะตายมีคนที่คนที่เคยโกรธเกลียด ก, กันกับเราเนี่ยมาเยี่ยมเนี่ยพอเราเห็นเขาก่อนก่อนใกล้าตายนะเอามือมาเยี่ยมกูทําไมวะไอ้นี่<ม>เกิดความโกรธขึ้นในขณะว่าจิต ด, ดับขนาดนั้นเรื่องมันเป็นความโกรธจุติใช่ไหมจติคือดับดับแล้วพวุบอุปติใช่ไหมจติอุปติพุดเกิดขึ้นด้วยอารมณ์จิตสภาพจิตชนิดนั้นไปสู่กำเนิดสัตว์ชั้นเปรตพิภีสัตว์สุ หรือหากเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ร่างกายไม่ไม่ดีอย่างเงี้ยด้วยอํานาจแห่งความโกรธจุติอึดตายด้วยอารมณ์ไหนจะนําสู่เกิดอารมณ์นั้นแต่นิพพานเป็นอารมณ์พิเศษที่จุติด้วยจิตชนิดไหนดวงเนยวอารมณ์ใดอารมณ์นิพพานไว้จิตดวงใดก็ตามหดวงเนียวนิพพานเป็นอารมณ์ <Okay. S 1> เมื่อจุติคือดับจิตแล้วปั๊บเนี่ย <Okay. S 1> อำนาจของนิพพานเนี่ยที่เป็นอารมณ์เนี่ยทำให้จิตไม่เกิดอีกในที่ไในไหน ไม่มีอุปติไม่มีการไปไม่มีการมาแต่ความเป็นกิจมีไห ม, มเอาแสาดงว่าสังฆาธรรมมีมีในนิพพาเนเลยโอ้ยเนาโอ้ย <c oughs> นาะ ก, กันอยู่นี่แล้วมันต้คไปสูตรธรรมชาติเดิมของมันมั้งไหนมันมีพระสูตรพระสูตรหนึ่งวัดชโคดเป็นปริภาชกวัดชโคดโคดปริภาชกไปสอบถามพระพุทธเจ้าว่า อัตตามีอยู่หรือพระเจ้าข้าผู้เจ้าก็ไม่ตอบว่าอัตตามีอยู่หรือไม่มีอัตตาไม่มีอยู่หรือพระเจ้าข้าผู้เจ้าก็ไม่ตอบว่ามีหรือไม่มีเอ๊ะทาไมพูะไม่ตอบว่าชาติพุทธก็เลยถามขึ้นมาอีกว่าอัตตามีอยู่ก็ไม่ใช่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่หรือพระเจ้าข้าผู้เจ้าก็ไม่ตอบพระสูตรนี้พระสูตรนี้เนี่เหมือนกับพระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์อะไรบางอย่างให้เราได้ขบคิด พงษ์จะไม่มีพูดตายตัวเพราะอะไรเพราะป้องกันควา ม, มงมงายของคนที่จะยึดถือยึดถือในคําของที่พระองค์คือมีคนคอยจะยึดคําของพระองค์เอาไปเป็นคํามาตรฐานคาข้อมูลคําเหมือนกับว่าผู้ไดเจ้าตัดอย่างนี้นะต้องยึดถืออย่างนี้นะอะไรประเภทนี้พงษ์ไม่ไม่ไม่พยากรณคําเหล่านี้นะว่าอาตามีอยู่หรือ ปกติพระองค์จะบอกว่าอัตตาไม่มีอยู่แล้วใช่ไห้หลังโดยหลักธรรมชาติดีนะอัตตาไม่มีแต่ทําไมไม่ตอบกับวัชชโคตรพระอนุนั่งอยู่ก็งงงงว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่ยอมตอบปกติใครมาถามปัญหาพระเจ้าตอบได้โชกโชกโชชหมดเลยอันนี้วัชชโคตรปริภาชกมาถามพระองค์ไม่ตอบมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอัตตามีอยู่หรือบอกหนิ่งไม่เงียบไม่ตอบเงียบไม่มีอยู่หรือก็เงียบมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่หรือพระเจ้าอนละไม่ตอบ ข้าพระองค์ถามพระองค์ว่าอัตตามีอยู่หรือพระองค์ก็ไม่ตอบอัตตาไม่มีอยู่หรือพระองค์ก็ไม่ตอบอัตตามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่พระองค์ก็ไม่ตอบแสดงว่าพระองค์ไม่เคยรู้คำตอบอะไรเลยไม่พระองค์ไม่ใช่ผู้รู้หนีออกไปเลยทนี้พระอนนทนไม่ได้ทีนี้ปกติเห็นพระพุทธเจ้าตอบมาทุกสํานักทำไมไม่ตอบกับบัตฉาโคตปริภาชกสาธุพระเจ้าข้าพระองค์ทำไมไม่ตอบเขาไปลนะว่ามีอยู่หรือไม่มีทําไมพระองค์ไม่ทรงพยากรณ์พระเจ้าก็เลยบอกว่าอนนท หากเราพยากรณ์ว่าอัตตามีคือหาพค์บอกว่ามันมีอัตตาอยู่น่ะชวัตชาโคตรจะถึงจะถึงความสงสัยว่าเมื่อก่อนอัตตามีแต่ภายหลังทำไมอัตตาไม่มีเช่นคนเกิดมาแล้วมีตัวตนจริงแต่ทำไมต้องตายถ้ามีอัตตาจริงทาไมต้องตายถ้ามีอัตตาจริงมันต้องไม่ตายก็จะถึงความสงสัยหากปาคตบอกว่าอัตตาไม่มีอยู่จริง วัชโคตรก็จะถึงความงงงายว่าหากบอกว่าอัตตาไม่มีอยู่จริงแล้วอันที่เป็นอยู่นี่คืออะไรไม่ใช่อัตตาหรือใช่ไหม ง, งงงงวยตอนแรกตอนแรกจะสง ส, สงสัยไงอะเราอันที่สองมันงงงวยหากเราพยากรณ์บอกว่าอัตตามีอยู่ก็ไม่ใช่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่เขาจะถึงความงงงายต่อต่อไปเป็นความงงงายเลยนะ งมงายว่าอัตตามีอยู่ก็ไม่ใช่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่แล้วมันมีอยู่หรือไม่มีจริงกันแน่สินเนี่ยงมงายไปเราอย่ยึดถือเอาสาระอะไรก็ไม่ได้เมื่อต่อไปเล้ยึดถือเอาสาระอะไรไม่ได้พระเจ้าจะไม่ตอบพงษ์จะไม่ตอบแต่เธอจงเข้าใจว่าการที่ตถาพสดแสดงหลักธรรมไว้ว่าสัพเพธรรมา อ, อนตาสัพเพสังขารานิจาสัพเพสังขาราทุขาสัพเพธรรมออนานต ทำทั้งหลายไม่มีตัวตนนั้นเราสอนเพื่อให้เธออย่างรู้เกิดอนุโลมญาณตามหลักทำตามความเป็นจริงหากเราไม่สอนหลักธรรมว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วไซส์เธอก็จะไม่สามารถอนุโลมญาณคือไม่สามารถพิจารณาตามได้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงไม่คงทนทาวรและสลายตัวอย่างไรเราจึงจะต้อง สอนหลักธรรมนี้เพื่อให้เจอเกินอารมณ์ยานแล้วถึงการปล่อยวางในการยึดมั่นถือมันด้วยทิ่ฐิเข้าใจไหมบทธรรมนี้พระสูตรเนี่ยหมายถึงว่าอัตตาจะมีก็ตามอัตตาไม่มีก็ตามอัตตามีอยู่ก็ตามไม่มีอยู่ก็ตามไม่ได้เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับว่าเรามียานรู้ในการปล่อยวางมันไหมหากเรายไปคล้องอยู่ว่าอัตตามีก็จะต้องสงสัยหากไปคล้องอยู่ว่าอัตตาไม่มีก็จะ งงวยแล้วที่มีอยู่คืออะไรงงวยไงหากจะว่ามีหรือไม่มีก็จะงงงายไปเลยว่าอะไรวะเจ้ว่ามีก็ไม่มีก็ไม่มีก็ไม่มียังไงกันแน่อย่างเงี้ย ก, ก็งงงายไปในการยึดถือผิดทาสาระอะไรไม่ละฮะสุดท้ายก็จะไปบัญญัติว่าไม่มีอะไรเป็นอะไรถามหน่อยว่าอัตตามีไหมมีแต่อัตตาเที่ยงไหม เอาแล้วถ้าอัตามีทําไมมันต้องไม่เที่ยงอะอัตามีหรอคะอ้าอาตาอาตาคือสภาพที่เป็นตนตการก่อเกิดหรือการตั้งอยู่เนี่ยคือคือความมีอยู่ของมัสิ่งนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าสิ่งนั้นมีอยู่เพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนั้นเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราจึงเห็นว่ามันมีอยู่ก็เป็นอัตาแต่เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่นั้น่ะ ม, มันไม่เที่ยง มันก็เป็นอนัตตาใช่ไหมพ่อพ่นต้องสลายตัวการรู้เห็นอย่างนี้ว่าในอัตานะั้นมันมีเป็นอนัตตาจึงสามารถถอนความเห็นผิดว่ามันมีอยู่โดยความเป็นอัตาอย่างคงที่นั่นหมายถึงว่าแม้อนาตาจะมีอยู่ก็มีอยู่โดยแปรปวนไม่คงคุณถาวรแล้วก็มีอยู่โดยการสลายตัว ในบุคคลผู้จะยอมรับว่าอัตตามีก็ต้องควรจะยอมรับว่าเมื่ออัตตามีก็ต้องยอมรับว่าอัตตาก็ดับไปได้ด้วยควรจะยอมรับข้อนี้ไม่ใช่จะยอมรับในข้อที่ว่ามีอัตตาโดยส่วนเดียวใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นมนุษย์ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเทวดาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นสัตว์เลี้ยงานก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเป็พีเปี๊ยะสสสุรกายก็ได้นี่คือความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นคนอยู่ดีๆแสดงกิริยาของสัตว์ก็ได้ยังไล่ะเปลี่ยนได้ไหมเห็นไหม เป็นคนธรรมดาธรรมดาเปลี่ยนเป็นนิสัยของเทวดาก็ได้มีจิตใจอบอ้อมอารีเอือ่อเฟื้อเผื่อแผ่ทาบุญสุนทานจิตใจของเทวดามีฮิลิโอตั ป, ปะอยเทวดาเปลี่ยนได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอัตาพวกนี้เปลี่ยนเมื่ออัตาทั้งหลายเปลี่ยนอัตาเหล่า น, นั้นจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นการที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั้นอ่ะ เพราะนั่นไม่ใช่เราใช่ไหมล่ะมันจะเป็นตัวเราไม่ได้คำว่าอัตตาในความหมายก็มันไม่ใช่เราอัตตาแม้จะมีแต่เมื่อมันไม่ใช่เรามันก็คืออนัตตายึดถือไม่ได้เพราะฉะนั้นอนัตตาคือว่าณอัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราตัวตนมีอยู่อันสิ่งนี้ไม่มมีันมีอยู่แต่มันมีอยู่โดยตลอดกันแด้ไหมล่ะไม่ได้ก็ไม่ใช่ของเราณอัตตาผู้ยังบวชเนตังได้ไหมล่ะมามะ เนตังคือนั่นณบวกเอตังนแปลว่าไม่เอตังแปลว่านั่นมามะของเรานั่นไม่ใช่ของเราเนตังมามะเนโซหามัสสมินั่นไม่ใช่ของของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของของเราเห็นไหมในความหมายของพระเจ้าหมายถึงว่าอะไรจะตามจะมีอยู่ก็มีไปเถอะอัตตาจะมีอยู่ก็มีไปอัตตาจะไม่มีก็ไม่มีไปแล้วแต่มันจะมีหรือไม่มีก็ไม่เกี่ยวแต่เรา อย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวร่างกายเรามีอยู่ใช่ไหมมีเป็นตัวตนใช่ไหมประกอบกันเป็นตัวตนอย่าเอาร่างกายมาเป็นตัวของเราจิตมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ใช่ไหมลนะ่ะประกอบกันเป็นตัวนําในภายในทําการรับรู้รับท ร, บรบาบแต่อย่าเอาจิตมาเป็นเราเอาทีนี้ก็เกิดความสงสัยว่าเมื่อกายไมนมีจิตไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราแล้วอะไรเป็นเรา ถึงความงงวยอีกใช่ไหมงงวยงมงายไหมอะไรไม่ใช่เราอะไรเป็นเราก็เมื่อมันไม่มีอะไรเป็นเราแล้วจะเอาอะไรเป็นเราจึงมีผู้ไปถามพระพุทธเจ้าถามภาษาลิบุตรหูือยังไงนี่หรือภาษาวกถามกันเองอยู่ไห น, นพระสูตรว่าที่เรียกว่าเราเราเรานั้นท่านบัญญัติคําว่าเรามาจากไาหนภาษาริบุตรนี่มั่งหรือว่าใครตอบเป็นคนต่อบบ้าง ที่เรียกว่าเราเรานั้นเรียกโดยอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะรูปมีอยู่เวทนามีอยู่สัญญามีอยู่สังขารมีอยู่การเรียกว่าเราจึงมีขึ้นเมื่อรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีการเรียกว่าเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าวิบูตคือพ้นจากบัญญัติทั้งปวงสุดท้ายแล้วเมื่อพูดอย่างนี้ พระพุทธเจ้าบอกว่าหนึ่งอัตตามีอยู่ก็ตามอัตตาไม่มีอยู่ก็ตามไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วนะไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วแม้แต่พระองค์บอกว่าทํำท่างหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานั้นก็เพื่อให้เกิดอนุโลมญาณใช่ไหมหากเราไม่คิดไขว้ควรตามหลักของอนุโลมญาณ น, นี้ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเราจะปล่อยวางได้ไหมเราจะปล่อยวางไม่ได้เราจะยึดถือเรื่องนั้นแหละยึดอยู่เรื่องนั้ยึดดีก็ยึด ท, ทันทีที่พระองค์บอกว่ายึดดีก็ผิดยึดในมรรคในผลก็ผิดยึดไม่ได้ ันเป็นอนัตตาอนัตตาคือยึดถือไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้ใช่หล่ะเพราะฉะนั้นหากบอกว่านิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็ยึดถือไม่ได้ยึดถือได้ไหม นิพพานเป็นอนัตตายึดถือได้ไหมหากจะอธิบายว่านิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยมันก็ยึดถือไม่ได้แต่ปรากฏว่านิพพานไม่ใช่อนัตตาถ้าไม่ใช่อนัตตก็เป็นอัตตาพน์ก็จะคิดอยู่ด้านนี้ยถ้าบอกว่าอัตตาหรือนัตตานั่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนิพพานเลยทั้งสิ้นเพราะนิพพานเป็นส่วนของิมุตคําว่ายมุตนั้นคือพจน์พจอะไรพจ์ทั้งจากอัตตาและอนัตตาหากยังอยู่เกี่ยวข้องกับอนัตตาหรืออัตตาอยู่ก็จะชื่อว่าพจน์ได้ยังไง ก็ใช่ไม่ใช่บิมุตไงเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมไม่มีใครสร้างไม่มีใครทําขึ้นเพียงแต่เขาไปรู้แจ้งเพราะฉะนั้นนิพพานจะเป็นอัตตาหรือนันตาไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยแม้แต่นิดหนึ่งไม่ได้สําคัญไม่ได้เป็นเครื่องประเทืองปัญญาอะไรเลยกับคนที่อะไรที่สร้างทิฏฐิขึ้นมาในทางพุทธศาสนาในเวลานี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความรู้ในทางพุทธศาสนาอะไรเลย เช่ไหมล่ะเป็นเรือ ง, องมันมันส่วนที่พ้นแล้วพ้นจากการบัญญัติทั้งปวงเนื้อจับอัตตากับอนะนัตตานะเนือเนื้อกว่าคนที่ยังไม่พ้นก็ก็ต้องเถียงกันไปก็ต้องใช้บทวิเคราะห์มีวาทะวิวาทะต่อกันไปว่าเป็นอัตตาหรืออนัตตาใครก็สนับสนุนยกย ก, ยกความเห็นของตัวเองไปเป็นยึดถือสิที่ทิ่งเอาตอนเขาไปยึดแล้วใช่ไหมล่ะ เอาตนเข้าไปจับแล้วเรียบร้อยเขาบอกอท่านอาจารย์พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่เอาตนเองไปพูดเลยเอาตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับนิพพานเลยพูดอย่างนี้เพื่อให้ออกจากการยึดถือในทิฏฐิทั้งปวงหากยังมีทิฏฐิในนิพพานอยู่ก็คนคนนั้นก็เป็นอัตตาอยู่ยั่มีตัวตนอยู่ที่พูดอย่างนี้มันน่าจะกระจ่างแต่ทีนี้มันก็มันก็มาพูดกันว่างั้น คนที่ไปถึงนิพพานก็คือหายสาบศูนสาบศูนย์นยแต่ผู้เย้าบอกว่าไม่ได้ศูนไม่ได้ศูนย์แสดงว่ามีแต่มีอยู่โดยอาตาัตราหรือมีอยู่โดยไ ม, ไม่ไม่มีอัตาหรือมีอยู่เป็นแบบอัตาก็ไม่ใช่ไม่แบบอัตก็ไม่ใช่หากมีอยู่ก็เป็นอาตาัตราเพราะคำว่ามีอยู่ แต่มันมีพระสูตรหนึ่งผมจาไม่ได้แท้ๆแท้จครับแต่ประมาณว่ามันมีคนคนหนึ่งรครับเหมือนกับแต่เขาไม่ได้เป็นพระนะครับแต่เขาสามารถรู้ได้ว่าถ้าไขตายแล้วเนี่ยคนนี้จะไปเกิดเป็นนรกไปเกิดเป็นเปรตสักครันี้มันเหมือนกับว่ามันมีอุบาสกมีคันหะคนหนึ่งเขาอาลานในในขณะที่เป็นคันหะนะครับผ ม, มแล้วคราวนี้เขาก็ตายพอตายปุ๊บเขาก็ไปถามในคนคนนี้ว่าที่ว่าสามารถรู้ได้ว่าไปเกิดที่โน้นเกิดที่นี้เนี่ยถามว่าคนคนนี้ไปเกิดที่ไหนเขาบอกก็หาไม่เจอ ครับอันนี้นนคข้าวข้าได้เหมือนกับเคยพันก็แสดงว่าสักศูนย์ครับก็เลยก็เลยการกแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่มีทิฏฐิว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เขาบอกหาไม่เจอก็คือเขาไม่เห็นนิพพานแต่พระอรหันต์ทั้งทั้งหมดที่ดับจิตแล้วมีผู้ไปถามพระเถรองใช่ไหมมีท่านผู้ไปถามพระเถรองว่ า, าภิกษุรูปนี้ จติที่ไหนพระเจ้าข้าพระ อ, องค์บอกว่าอย่างไรรู้ไหมเธอปรินิพพานแล้วเห็นไหมโปรยพยากรณเลยปรินิพพานแล้วคือนิพพานแล้วไม่ใช่จุติแต่ว่าปรินิพพานแล้วเข้าถึงนิพพานแล้วอาตมาจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆไม่รู้อย่างง่ายหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้อยจะง่ายหรือเปล่า <laughs> อันนี้คือกระดาษ นะคือกระดาษกระดาษเมื่อเผาเสร็จแล้วเผาเผาเนี้ยไหม้ไหม้ไหม้ไม้ไมไมไมไมจนหมดแล้วมันเป็นกระดาษไหมไม่เป็นกระดาษพ้นจากความเป็นกระดาษแล้วไม่สามารถบัญญัติหรือเรียกว่าเป็นกระดาษเขาเรียกว่าอะไรแล้วเอาขี้เท่าเนี่ยไปบดให้ละเอียดละเอียดจนสลายไปเลยอย่างเงี้ยเหลือความเป็นขี้เท่าไหมเหลืออะไรความเป็นธาตุดิน หากเรามองมองมองย้อนกลับที่นี่ก่อนที่จะมาเป็นกระดาษมาเป็นอะไรไ ม, มาจากต้นไม้ต้นไม้มาจากไหนมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็มาจากต้นไม้อันอันก่อนถามว่มาเมล็ดพันธุ์อันแรกที่สุดมาจากไหนก็ไม่รู้ือไก่กับไข่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนไก่กับไข่ไม่ใช่มเมล็ดพันธุ์อันแรกมาจากการประกอบการรวมตัวของาธาตุทั้งสี่ เมื่อเกิดอุณหภูมิที่พอเหมาะจึงก่อเกิดมเมล็ดพันธุ์เป็นเชื้อแห่งพันธุ์ที่ยังลากลงสู่ดินแล้วก็จเจริญเติบโตออกมาเพื่อทกชนิดจะมีพันธุ์ของมันแม้โลกนี้จะถึงข่าวพินาศหรือว่าไม่มีโลกนี้อยู่ดินจะแตกสลายออกไปเป็นเหลือแต่เพียงแค่ห้วงจักรวาลที่เวิร์งวางว่างเปล่ า, าเชื้อแห่งมเมล็ดพันธุ์ก็จะล่องลอยอยู่กลางห้วงอวกาศ อยู่ในรูปของดินน้ำไฟลมนั่นเองคือร่องรอยอยู่เป็นเชื้อแห่งพันธุ์แต่ไม่ได้ปรากฏมาเป็นต้นอย่างนี้แต่เมื่อเมื่อการใดก็ตามที่ดินน้ําไฟลมรวมตัวกันเป็นก้อนโลมนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยการระยะเวลาที่ยืดยาวนานไปยาวนานไปเรื่อยๆเกิดความพอเหมาะพอดีที่เชื้อแห่งประเล็พันธุ์นี้ก่อตัวกันเป็นเม็ดเป็นหนอ่อเป็นลําต้นขึ้นมาได้มันก็จะเป็นพืชพันธุ์พืชพันธุ์แต่ละพืชพันธุ์นี้มีความเป็นพืชพันธุ์เฉพาะของมันอยู่แล้ว ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนเอามาวาดอะไรไหมมันมีอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติพืชพันธุ์เหล่าเนี้ยเกิดเองได้ด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะเราไปดำนาในฤดูแรงได้ไหมไม่ได้ก็ได้ถ้ามีน้ำนั่นคือหาความพอเหมาะในการก่อเกิดของพืชพันธุ์เพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ต่างๆที่เกิดเองในป่าโดยไม่ใครปลูกมันมีพืชพันธุ์ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วมาแต่ไหนแต่ไรโดยธรรมชาตินะนะ น้ำเราตักมาไว้ในแก้วทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งเกิดอะไรขึ้น <Yeah. S 1> แต่ใครน้ําใครไปปลูกมันไว้ในนั้นไม่มีใครปลูกแต่มันอาศัยเหตุพอเหมาะของมันความชืน้นความพอดีมันเกิดตะไครนีม่มีใครเอาไม่ได้พันธไปบานไว้ในนั้นยังไม่หลังมันก็เกิดได้ <Yeah. S 1> ผู้เจี่ยวจะบอกว่าทำทั้งหลายเกิดโดยธรรมดาของมันมีการเกิดขึ้นโดยธรรมดา จะบอกว่าเป็นเพราะอันนั้นให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นพาะอันนี้ให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้มันเกิดขึ้นโดยธรรมดาร่วมันและเวลามันดับไปก็ดับไปเป็นธรรมดาถูกต้องไหมเมื่อมันลงสู่ลงสู่ความเป็นธาตุแล้วเรียกว่าอะไรปฐบีธาตุใช่ไ้มธาตุดินน้ำเหมือนกันเมื่อสลายลงไปสู่ความเป็นอโพธาตุคือธาตุน้ำเรียกว่าธาตุเดิมของมันไฟ ไฟที่เราเห็นคือไฟที่ลูกโพล์เนี่ยคือไฟที่เป็นธาตุผสมแล้วนะเป็นธาตุที่ถูกจุดขึ้นที่เป็นเปลวไฟขึ้นมาเป็นธาตุผสมถูกจุดขึ้นแล้วผสมกันขึ้นด้วยอาศัยเชื้อสมมุติว่าใส้เทียนหรื อ, อตัวเทียนที่เป็นตัวก่อให้เกิดเปลวไฟเป็นเชื้อมันจึงเกิดขึ้นอยู่เมื่อไหมจนหมดเทียนเนี่ยหมดไปแล้วปุ๊บไม่มีการจุดต่ออีกเปลวไฟดับใช่ไหม ดับแต่ธาตุไฟเหลืออยู่ไหมธาตุไฟที่เป็นเตโชธาตุเหลืออยู่ไหมเหลืออยู่แต่ความเปลวไฟเป็นเปลวไฟไม่มีเปลวไฟนี้สามารถจุดให้ไฟเผาไหมได้ใช่ไหมแต่เตโชธาตุโดยธาตุเดิมของมันเนี่ยสามารถไปทําลายใครได้ไหมทําให้ใครร้อนได้ไห ม, ไมเตโชธาตุเนี่ยยังไม่ได้นั้นคือธาตุดั้งเดิมธาตุดั้งเดิมนั้นยังไม่สามารถ เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับภัยแต่ไฟที่ถูกจุดขึ้นแล้วเผาไหม้ใครก็ได้แต่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไม้มประโยชน์ก็ได้ไปเผาไหม้ก็ได้ทำลายกันก็ได้ธาตุไฟธาตุลมเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือธาตุโดยธรรมชาติมันจะมีปฐวีธาตุเตโชธาตุไบยโยธาตุายยทีนี้ธาตุอีกอันหนึ่งเป็นธาตุของจิต เทไม่ใช่จิตที่ถูกผสมมาแล้วไอ้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ถูกปรุงแต่งมาแล้วเป็นธาตุที่ผสมมาแล้วเหมือนกับธาตุไฟที่ถูกจุดขึ้นจิตดวงที่ถูกจุดขึ้นเมื่อมีการจุดขึ้นก็ยังเวียนบ่ายตายเกิดเพราะยังไม่รู้นิพานเหมือนกับดวงเทียนที่ถูกจุดขึ้นก็ต้องไม่ใส่เทียนกับตัวเทียนไปจนหมดจนกว่าจะดับถากดับแล้วมีการเอาตัวอื่นไปต่อเปลไฟนั้นก็ยังอยู่ เปลวไฟก็ยังจะไหม้ลามต่อไปอีกในเชื้อเมื่อหมดแท่งเทียนนั้นอีกมีคนเอาไปจุดอีกเพื่อให้เกิดความแสงสว่างก็ยังเปลวไฟนั้นก็ยังไม่มอดก็ยังจะไหม้ต่อไปเปลวไฟที่เผาศพอยู่ที่เมืองอะไรที่อินเดียเนี่ยเมืองพาราณสีณสใช่ไหมพาราณสีเนี่ยไม่อยู่สี่พันปีไม่เคยมอดเพราะมีคนถูกจุดขึ้นหากมีใครจุดมันก็ดับไป ไฟก็สลายลงไปสู่เตโชธาตุธาตุเดิมของมันนะเพราะถ้าไม่มีเตโชธาตุไฟก็จังจุดนี่ขึ้นไม่มีแน่นอนถ้าจะเปรียบว่าจิตของเราเนี่ยถูกไฟแห่งอริยมรรคเหมือนกับตัวเนี้ยถูกไฟเผาไหมถูกไฟแห่งอริยมรรคเผาจนความเป็นตัวตนของจิตดับไม่มีอีกแล้วแล้วสลายเมื่อเห็นนิพพาน คือจิตมันแทงทะลุนี่ยนิพานแล้วปุ๊บสลายเลยถูกไฟอริยมรักในขณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่ไฟอริยมรักก็เผาไหม้ไปตลอดเผาไหม้ไปตลอดเผาไหม้ไปเรื่อยเรื่อยือ ย, อยืพอเผาไหม้แล้วปุ๊บเห็นนิพานปับ๊บเปลวแห่งไฟที่เผาไหม้ดับจินเนี่ยดับสลายเปลวไฟที่ดับสลายคือสลายไปเข้าใจไหมเหมือนกับเทียบให้ทราบว่า เปลวไฟตัวนี้ดับไปแต่ธาตุของมันยังมีอยู่จิตของตัวนี้ที่ยังมีธาตุของมันยังมีอยู่เมื่อธาตุเดิมของมันยังมีอยู่ไม่ได้เรียกว่าขาดศูนย์ไม่ได้เรียกว่าขาดศูนย์เราจะบอกว่าไฟที่ดับไปเนี่ยขาดศูนย์ได้ไหมมันกลับไปสู่ธาตุเดิมมันกลับไปสู่ธาตุเดิมของมันตัวนี้ก็กลับไปสู่ธาตุนิพพานธาต ไม่มีการเข้าไม่มีการออกไม่มีการไปไม่มีการมาดับอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเป็นภาพเดิมธาตุเดิมธรรมชาติเดิมธรรมชาติเดิมที่มันเป็นอยู่ปัสจาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนปัสจาการมาต่พักเป็นตัวเป็นตนเป็นเป็นสิ่งที่พ้นจากการคาดคณนิ้พ้นจากการบัญญัติพ้นจากการคาดหมายด้ทิฐิทั้งปวงก็ไม่ขาดศูนก็ไม่ได้เรียกว่าขาดศูนย์ไงพเจ้าจึงบอกว่า เราเราไม่บัญญัติว่าพาระหรหันผู้ละดับขันแล้วถึงความขาสูงเพราะถ้าบัญญัติว่าขาสูงก็จะเป็นอุดเฉืทิธิเป็นทิธิ ท, ที่เป็นจัดเนื่องๆ อ, อยู่ในมิจฉาทิฐีอันหนึง่งนี่คือความลึกลับซับซ้อนที่ไม่ซับซ้อนหรอกแต่ว่ามันซับซ้อนสําหรับคนที่ไม่เข้าไปเห็นก็เลยซับซ้อนหน่อยแต่สาหรับคนที่เห็นแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมันก็เป็นอย่างเงี้ยอธิบายให้ฟังอย่างเงี้ยเราสามารถตึกตองตามได้ใช่ไหม คิดตามได้ทําความเข้าใจได้คิดว่ายากไหมไม่ยากแค่สร้างอริยมรรคขึ้นมาเดี๋ยวไฟอมรรคก็จะเผาไปเรื่อยเผาเผาไปเรื mm ่อยจนจิตเข้าสู่ธาตุเดิมของมันสมมติว่าไฟที่เผาเนี่ยบางทีมันก็เกิดอาการเล่าร้อนไม่ใช่ป่ะคะอันนั้นเป็นไฟที่ผสมแล้ว mm hmm. เป็นไฟที่ประกอบอประกอบไปด้วยกิเลสอาสวะ น, นั้นน่ะ ที่เลาร้อน่ะไฟอไรอยิยมารคร้อนไหมก็ร้อนเหมือนกันนะไปร้อนที่กิเลสอะ่ะกิเลสมันร้อนนี่นนใช่กิเลสมันร้อน <c oughs> แต่เรากับกิเลสเป็นเดียวกันมาตั้งแต่ในแต่เลยใช่ไหม <c oughs> เราเลยรู้สึกร้อนไปพร้อมด้วยอํานาจของกิเลสผู <c oughs> ้เย้าบอกว่าอะไรรู้ไหมผู้เย้าบอกว่าสิ่งที่เป็นตะบะเครื่องแผดเผากิเลสเนี่ยคืออะไรอ ด, อดทนเป็นตะบะอย่างยิ่งขันตีระบังตโปติติขาการบําเพ็ญตะบะในทางพุทธศาสนานั้นต้องเริ่มด้วย ความอดทนไม่ใช่การบําเพ็ญตะบะไปนั่งบนน้ําหรือไปให้นอนอยู่บนอะไรไฟอย่างเงี้ยให้ไฟย่า ง, างหรือว่าไปบําเพ็ญตะบะด้วยวิธีอื่นผู้บอกพระเจ้าบอกว่าอดทนนี่แคือตัวตะบะในทางพุทธศาสนาลักษณะการบําเพ็ญตะบะในทางพุทธศาสนาคืออดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันก็ต้องต่อทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องไปอดทนกับมันใช่ไหมล่ะที่ที่ต้องอดทนเพราะมันทุกข์ไง เราอยู่ต้องอดทนไงหมอนว่านเวลาเจอทุกข์ในเขาข้างใดก็ตามต้องใช้ความอดทนเพราะความอดทนจักเป็นเครื่องแผดเผากิเลสหากเวลาเจอทุกข์แล้วเขาไม่อดทนแผดเผากิเลสได้ไหมไ ม, ไม่ได้ไจะเอาปัญหามาช่วยใช่อะไรก็จะหนีอะไรก็จะห ล, อะะลบอะไรก็จะเลี่ยงอะไรก็จะไม่เผชิญไม่กล้าถ้าอดทนอยู่อะไรจะมาก็มาใช่ไหมอดทนกิเลสปัญหาโถมเข้ามาแต่กิเลสเราถูกแผดเผาเลส เราจะแก้ปัญหาหรือจะแก้กิเลสเราต้องแก้กิเลสที่ปัญหามีอยู่ก็มีอยู่ปกติมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วชีวิตน่ะปัญหาที่อยู่ในชีวิตของเราคืออะไรความหิวความง่วงความหนาวความร้อนโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นปัญหาอยู่แล้วแหละความไม่ได้ดังใจการพัดผ้าความเศร้าโศกความเสียใจความไม่ได้ดังใจไหมอารมณ์บีบันห่างใจพวกนี้เป็นปัญหาทั้งหมดแต่เราอย่าเอาปัญหานี้มาเป็นปัญหา ให้เราอดทนต่อปัญหาที่พังป่วงเพื่อให้กิเลสในใจเรามันถูกแผดเผาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอะไรกิเลสมันไม่ชอบทุกใช่ไห ม, ไหมกิเลสมันชอบอะไรชอบสุขเห็นไหมล่ะเราเอาสุข ป, ป้อนกิเลสมาตั้งนานแล้วนี่อะไรตระกามเป็นสุขเราก็ป้อนมันป้อนมันอะไรที่เป็นทุกกิเลสมันปัดออกกูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอ า, เอา หากเรายอมรับทุกข์ได้พุทเจ้าบอกอทุกขสัจจะดุขขั้งอริยสัจจังปริญญายันติเมพิคเวกําหนดรอบรู้แล้วยอมรับมันการกําหนดรอบรู้ทุกข์แล้วยอมรับทุกข์ได้เนี่ยกิเลสมันจะดิน้นพอกิเลสรับรู้ทุกข์มากเข้ามันไม่ชอบทุกข์เราเอาทุกข์เนี่ยเข้าไปแก้มันคือเอาเอาไปให้มันดิน้น คือเราไม่ทําตามอํานาจแห่งความอยากที่มันพยายามจะหลีกหนีหรือดิ้นหนีเราไม่ใช้ความอยากตามอํานาจของกิเลสที่อยากจะให้เราหลบลีกอยากให้เราเรี่ยงไม่กล้าเผชิญกับความทุกข์ไม่กล้ายอมรับปัญหานะเมื่อไม่กล้ายอมรับปัญหา <c oughs> เราก็จะหนีปัญหาอยู่เรื่อยแล้วก็จะตกอยู่ภายใต้แห่งความกลัวกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้พระ อ, อริยเจ้าท่านไม่มีความกลัวไปอยู่ในปา่าในเขาในถ้าในที่ไหนๆก็ตามหน้ า, าว่นะาเสียวหน้าบัดกลัวท่านก็อยู่ได้ถามว่า ท่านท่านท่านอยากเป็นเช่นนั้นเหรอท่านก็ไม่อยากเป็นแต่ท่านต้องการแก้กิเลสท่านก็เลยเอาสิ่งนั้นามาเป็นเครื่องแก้ไงบงคนบอกโอ้โลกนี้วุ่นวายไปอยู่โลกคนกับสังคมวุ่นวายแล้วไม่หาความสงบไปได้ไปอยู่ในปา่าในเขาทีนี้พอไปอยู่ในปา่าในเขาเกิดความเงียบขึ้นมาอพอเงียบขึ้นมามองซ้ายมองขวาเสียงปอกปอกแก้แก้ขึ้นมาก็เอาไปแล้วคิดไปฟุ้งไปแล้วท น, ะนี่เอ๊ สัตไลตอนตอนยังไม่มืดก็คิดว่าเป็นสัตว์อยู่สัตว์อะไรจะมาแต่พอมืดเข้าผีสิเนี่ยคิดไปเรื่องของผีจะมาหลอกที่เสียงผีเลยนี่ว่ายยมคนหนึ่งไปฝึกปฏิบัติธรรมาแรกๆก็ได้บวชพระจนเป็นพระมหาทุกวันนี้ธํามาพิจิตตนั่นแหละผีหลอกกันเนี่ว่าว่าผีหลอกกันเนี่ไปอยู่ในป่าด้วยไปฝึกปฏิบัติอาศัยอยู่นอนอยู่ที่สลัอาตมาให้นอนอยู่ที่ศาลาคนเดียว แกก็นอนจริงๆ ก, ก็บอกกูโหกลัวสุดขีดพระอาจารย์ให้นอนคนเดียวได้ยังไงวะวแต่พระอาจารย์บอกให้นอนก็นอนนอนที่นี่นอนสองทุ่มสามทุ่มมามันมีลมเอื่อยๆพัดมาไม่มีไฟฟ้าใช้ไมมืดสนิทเทียนก็ไม่มีเียมืดสนิทเลย <Yeah. S 1> แกก็เริ่มกลัววังเวงวิเวกนวกลัวขึ้นมาจับใจเลยนะลมพัดเอื่อยๆมาใบไม้ ก็ปิวไปตามลมพิกคกคอกแครก ค, คก็คคเลยเริ่มคิดแล้วว่าผีในป่านี้มันเริ่มออกมาแล้วในช่วงเวลานี้มันกำลังจะเริ่มออกมาเนีะ่ะเสียงกคอกแคร็กแ ค, คออกมาเนี่ย <S <S ผีมันเริ่มออกมากูจะทำยังไงดีวะกูจะทำยังไงดีวะถ้าถ้าเจอกับมันกูคงจะอกแตกตายแน่ตอนนั้นฤดูร้อนนะแกก็รีบคุมผ้าด้วยความรู้สึกของเรานะนะเอาพราหมคุมคือไม่อยากเห็น มันเป็นความรู้สึกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าคือถ้าเอาข้อห่มคลุมเนี่ยเราไม่เห็นแล้วเราจะรู้สึกสบายใจว่าไม่เห็นผีหรือผีไม่ปรากฏให้เห็นไม่ได้หลอกเราเรารู้สึกสบายใจแล้วแก้วาผ้าห่มคลุมเอาเท้าจิกกับข้อห่มที่พื้นนั่นนะให้แน่นเลยทียน่นี่ตัวเองก็นอนขดตรฤดูรอ้อนข้อห่มโตโตโ ด, ด้วย <c oughs> มลมก็พัดเอื่อยมาเล็กๆใบไม้ก็พลิกกิ่งเข้ามาในศาลาข้อแขกข้อแขกเอาเราบรรใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้ ว, ลาาลวคิดอยู่ในใจ ใกล้เขามาแล้วจิตใจหาความสงมบสุขไม่ได้ตอนแรกก็บอกว่าอยู่ในเมืองแล้ววุ่นวายมาอยู่ในป่า ก, ก็ดันกลัวไม่มีใครเป็นเพื่อนอยากให้คนนั้นเป็นเพื่อนอยู่คนนี้เป็นเพื่อนไงแสดงว่าคนเราไม่ได้ชอบความสงบจริงใช่ไหมชอบหาความวุ่นวายใส่ตัวเองอยู่แล้วแต่เวลาความวุ่นวายเกิดขึ้นดันยอมรับไม่ได้แล้วบอกโอ้วุ่นวายยังไงกูไปหาความสงบพอไปอยู่ความสงบอยู่คนเดียวไม่ได้จะเป็นจะตายว่าผีจะมาหลอก เอาอย่างนี้นะซันอยนี้นเงือ่แต่พักออกมาเลยนะจนจะหายใจไม่ออกเอาแล้วไกูจะตายก่อนจะเจอผีแล้วเกี่ว่าอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วว่านจนหายใจกูจะตายแล้วสะบัดพ่อผมออกมาแล้วหายใจได้เฮือกนึงเฮ้อว่าอย่างเงี้ยฉายไปฉายไปเลยเนี่ยว่าไฟไปเอ้าใบไม้นี่วันลมมันพัดเข้ามาเป็นใบไม้ <laughs> ตั้งแต่นั้นมากูไม่กลัวผีอีกแล้วทาไหม <laughs> เริ่มนี้เริ่มขยับออกไปอยู่ในกุฏิที่ไกลกว่านี้ไปอยู่คนเดียวได้สบายฝึกจิตอย่างนี้ใช้ความกลัวเป็นเครื่องฝึกทำลายความไม่รู้ภายในจิตของตัวเอ ง, อ, งอันเนี้ยตอนที่ ต, ตม า, ตอมาสอนเรื่องในการอยู่ในเสนาสนะใช่ไหยถือธูดองคาวัดอยู่ในเสนาพระพุทธเจ้าบอกว่าอนุญาตให้อยู่ในเสนาได้แค่สี่เดือนพะฤดูฝนมาให้สุดสี่เดือนหลังจากสี่เดือนแล้ว เสนาสนะคือกุฏิเนี่ยที่อยู่ไม่มีความจำเป็นถ้าอยู่ตามโคนไม้บ้างแต่ก่อนมันอยู่ในป่าไงอยู่หลังเขาโคนต้นไม้อยู่ในที่แจ้งต่อมาก็ไล่ลงจากกุฏิหมดเลยไมใ่ใครนอนกุฏิมานอนโคนต้นไม้อันเนี้ย <c oughs> ทั้งคืนเลยทเนี่ย <c oughs> เราก็ตอนแรกเราก็นอนในป่าเราก็กลัวแล้วใช่ไหม <c oughs> อยู่ในกุฏิแล้วก็อุ่นใจอยู่ว่าในกุฏิปิดหน้าต่างปิดประตูมิดชิด ผีคงจะไม่เห็นเราโอ้ยผีน่ะมันเห็นไม่ว่าจะผิดจะอะไรก็ตามมันเห็นหมดหละถ้ามันจะเห็นน่ะนะแต่ความรู้สึก ข, ของเราผีคงจะไม่เห็นเราอัตมาก็เป็นอย่างนั้นข้างยมสันอัตมาบ้านเลยเจา้าฝ่าโดยมั่งฟันสองข้างเพ อ, อ, อ, องว่างเอองสันทั้งคืนเห็นไหมได้ทดสอบตัวเองได้รู้นอนไม่หลับท<ต>ั้ง<ต>คืนจิตฟุ้งปุงแต่งแต่เรื่องผีสุดท้ายผีอยู่ที่ไหนรู้ไหม อยู่ที่ความคิดของเรากลัวผิว ค, คือความกลัวความคิดของตัวเองจุดเทียนหนึงคืนจนว่าจานไม่จุดเทียนเยอร้อยจุดเทียนเหรอได้สามคืนได้สามคืน <c oughs> เพนขึ้นกุฏิ <c oughs> เอาเอาความอดทนใช้ความอดทนเป็นตัวข่มกิเลสเราไม่ชอบความทุกข์พระรยาเจ้าท่านเลย ไม่กลัวความทุกข์คือยอมรับความทุกข์มาเป็นเครื่องแก้ไขกิเลสภายในตัวเองเพราะบุคคลใดก็ตามยอมรับความทุกข์ได้กิเลสจะลดน้อยถอยลงไปกิเลสมันชอบความสุขอะไรก็ตามใช้ก็ตามพยายามหาสุขใส่ตัวเองตลอดเวลานั่นคือการครบครูนกิเลสใส่ตัวเองแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําให้ตัวเองไปทําให้ตัวเองไปเป็นความทุกข์คือไม่ได้ให้ตัวเองไปสร้างทุกข์ให้กับตัวเองแต่หมายถึงว่าความทุกข์ที่มันมีอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติเนี่ยเราอย่าให้ความทุกข์ที่มีอยู่แล้วเนี่ย ทำร้ายเราคือบีบพันใจเราให้เสียเปล่าให้เอาความทุกข์นั้นมาเป็นเครื่องเจริญสติปัญญาแก้ไขกิเลสภายในตนคืออย่าหลงอาการแห่งความทุกข์ที่เกิดที่มันบีบพันอย่าหลงอาการของมันให้รู้เท่าทันต่ออาการความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วเราจะมีสติปัญญารู้การเกิดของความทุกข์ว่าทุกข์เกิดขึ้นได้ทุกกระดับไปได้เมื่อทุกเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ด้วยตัวของทุกเอง มันก็คือธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดระดับความทุกข์ก็ไม่แตกต่างจากธรรมชาติทั่วไปที่เกิดและกระดับเกิดและกระดับเราก็ใช้ความทุกข์นี่เป็นเครื่องฝึกฝนจิตใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วครูน้องบอกว่าโยมไม่เคยเจอความทุกข์เลยโยมจะฝึกยังไงลองไม่ต้องกินข้าวสักสามวันก็ไม่ใช่ว่าไม่เจอแต่ว่าเจอมันแค่รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอยะะ่างนี้ค่ะ ก็ถูกอันนั้นคือการเข้าใจทุกตามความเป็นจริงทางฝ่ายกรรมฐานเขาจึงมีการอดข้าวไงในวงกรรมฐานวันหนึ่งดูซิว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไหมวันที่สองมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไหมหรือมันจะเป็นยังไงเราไม่วันท่าก่อนไม่เลยค่ะอ่าเป็นสองวันมันก็มีความคิดว่าไม่เป็นไรอีกยอะพอถึงวันนั้นเราก็ได้กิดแล้วอ่าอันนั้นวางอนาคตไว้ เดี๋ยวก็ได้กินแล้วท่านมันไม่เป็นไรนะอันนี้ อ, นนอันนี้กไไไ็ไม่ได้เรียนรู้ทุก น, นะอันนี้เขาว่าหาเหตุผลมา ก, กบเกือนความทุกข์ใช่ค่ะแล้วท่านพร้อมพอใจให้ตัวเองรอรับอนาคต <c oughs> มันมีความฝอยู่แล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยก็ได้กิน <c oughs> โอ้อันนั้นจะไม่ใช่การกําหนดรู้รกำหนดรู้คือรู้ขณะที่มันเป็นขนาดนั้นว่าจิตเป็นยังไงเหมือนกับมาลไรขี้ข้าเศรษฐีอนาถบิดาเศรษฐีคนหนึ่งที่วันนั้นเป็นวัน อุโบสถศีลคนในบ้านนั้นเขาถืออุโบสถศีลกันหมดไม่บริโภคอาหารในเวลาพิการแล้วคนนี้ก็ไปทํางานกลับมาไปรับจ้างเศรษฐีไม่รู้ว่าเป็นวันอุโบสถกลับมาถึงบ้านเศรษฐีนึกว่าจะมีคนจัดแจงอาหารมาให้เหมือนกับทุกครั้งปรากฏว่าวันนั้นที่บ้านเศรษฐีเงียบไม่มีใครจัดแจงอาหารมาให้ก็เลยถามว่าทําไมคนที่นี่เงียบกันจังไปไหนกันหมดบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถเขาถือสมาทานศีลกันไม่บริโภคอาหารในเวลาพิการ เขาก็เลยสงสัยว่าอุโบสถศีลเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วอย่างข้าพเจ้าสามารถทําได้ไหมบอกทําได้ทุกคนสามารถทําได้หมดเลยงั้นข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถศีลบ้างโอ้ท่านจะไปสมาทานทําไมท่านเพิ่งทําอาหารเออทำทำการงานมาใหม่ๆยังเหนื่อยอยู่ท่านต้องบริโภคอาหารเราคิดว่าการที่เราเป็นอะไรเป็นคนรับจ้างเขาอยู่อย่างนี้เป็นพ่อเราไม่เคยทําบุญกุศลมาแต่ปางก่อน ตายไปเราก็ไม่เราก็ต้องเกิดเป็นคนรับจ้างอย่างนี้ไปตลอดเราอยากจะทําบุญกุศลเพื่อให้ตัวเองเป็นไปในพภพภาคหน้าภายภาคหน้าในภพภพหน้าบ้านองี้อยากจะดีในภพหน้าบ้างเราก็ขอสมาทานศีลเราจะไม่บริโภคอาหารและของลดการบริโภคคนในบ้านเศรษฐีก็เลยบอกว่าหากท่านไม่บริโภคท่านก็ถึงคงถึงแก่ชีวิตแน่ยังไงก็ตามข้าพเจ้าขอสมาทานศีลบุญสดแบบท่านเศรษฐี ก็เลยสมาทานพอสมาทานแล้วไอ้คนในบ้านก็เอาอาหารมาให้อยู่เพราะว่าถ้าไม่ไหวก็มากินนะอาหารเนี่ยก็เลยวางอาหารไว้ที่หน้าห้องแต่คนนี้ก็เข้าสมาทานศีลบิสุทธพอเกิดความหิวคอบงาไม่ได้กินอาหารมาทั้งวันเกิดความหิวคอบงำขึ้นมานึกถึงอาหารอยู่หน้าห้องออกไปกินสักหน่อยมั้งรักษาร่างกายไว้ก่อนพอจะออกไปออกไปเอ๊ะเอาศีลดีกว่าก็ไม่ออกไปความหิวก็เกิดขึ้นอีก ออกไปกินดีกว่ามากกั่งก็โอ๊ไม่ไปเอาศีลดีกว่าก็กลับมาก็คิดอยู่เงี้ยหลายตลกจนถึงสว่างความหิวแผลเพาก็ถึงแก่ชีวิตในเวลารุ่งเช้านันนั้นก็ตายเนี่ยตายจากเป็นคนรับจ้างไปเป็นเทวดาชั้นจ่าตุม้มก็เลยตรวจสมบัติของตัวเองดูเอ๊ะเราทำไมได้มาเป็นเทวดาทำไมได้ทรงเครื่องเทวดา <c oughs> มอ้าิมานทิพย์ อยบนอากาอ๋อ น, นั้นก็ของทิพย์อันนี้ก็ของทิพย์เต็มไปหมดอาหารการกินมีเต็มไปหมดด้วยอ น, นิพนของศีลเนี่ยมีอาหารการกินเต็มไปหมดเลยอ๋อบุคคลผู้ถือศีลแม้ทานแม้ไม่ได้ให้ทานไว้ทานก็บังเกิดขึ้นเองโดยไม่บกพร่องเลยัเกิดขึ้นเองอัตโนมัติคุณค่าของศีลเลยมองลงไปเอ้าเราซ า, า, า, ากศพเราอยู่นู่นเยเขากําลังจะเอาไปไปเผากันอยู่มองลงไปก็เลยว่าบลงมาบนเทวบนมนุษย์โลกเ หายแวบลงมาเลยหายว่าลงมาพร้อมกับวิมานรากฏตัวให้เศรษฐีได้เห็นว่าอนุสง์ของศีลนี่มีอยู่จริงรักษาศีลแค่ครึ่งคืนเออครึ่งคืนนึงอีกวันนึงไม่ได้รักษารักษาแค่คืนเดียวถือว่าอยู่ในครึ่งมันอันนี้คือใช้ความทุกในการกำลังกิเลสคือกิเลสอยานะ่างหยาบนั่นใช้ศีลเป็นเครื่องเป็นเครื่องแก้ บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าศีลอุโบสถทําไมถึงห้ามอาหารในเวลาวิกาลผู้เจ้าประสงการสอนให้เรามีสติรู้สึกตัวว่าการกินข้าวในเวลาวิกาลเนี่ยก็เป็นบาปอย่างหนึ่งนะการนั่งนอนบ น, ท, นที่นอนสูงอันใหญ่ก็เป็นบาปอย่างหนึ่งการร้องเพลงก็เป็นบาปอย่างหนึ่งแต่เป็นบาปอ่อนๆก็จึงมีการสมาทานศีลข้อนี้ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นบาป คือมันบาปไม่มากอ่ะบาปอ่อนอบาปไม่มากมาถึงเรื่องไหนแล้วทีนี้นิพพานจนอธิบายมาถึงเรื่องการแก้ไขกิเลสตนเองโดยบําเพ็ญตะบะด้วยความอดทนนะจำไว้ว่าตะบะในทางพุทธศาสนาคือความอดทนความอดทนจะเป็นเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นหากเราอยากจะแผดเผากิเลสก็ใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งระบอกไปเองอยู่เสมอว่าต้องอดทนต้องอดทนให้ได้แต่ไม่ใช่จําทนที่อยู่ก็เพราะจำทนต่อกันนี้แหละเลยลอยู่ไงไม่ได้อดทนถ้าจําทนนั้นน่ะมันไม่ได้แผดเผากิเลสเขาเรียกว่าจํานนต่อสิ่งที่เพนอยู่คือจําทนกันไปแต่ละวันแต่ละวันอย่างเงี้ย แต่ถ้าอดทนนั้นมันเกิดปัญญามันเป็นแผ่เครื่องแผ่เขากเกเรอันนี้มีประโยชน์หรือมงคลบอกว่าความอดทนมีถึงที่สุดมีขีดสุดอันนั้นก็ไม่ใช่อดทนนะนะอดทนที่แท้แล้วต้องไม่มีขีดสุดพราะในสระของความอดทนคือการยอมรับความทุกข์ไว้กับไว้ภายในตัวเองโดยไม่ให้ความทุกข์นี้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแต่คนที่ไม่มีความอดทนเลยเนี่ย เวลาเกิดความทุกข์เกิดขึ้นปั๊บเอาความทุกข์ไปเราให้คนนี้ฟังไปเราให้คนนั้นฟังคนที่รับฟังกับเราก็ทุกข์กับเราด้วยใช่ไหมแล้วความทุกข์ก็พระเจ้าสอนให้ดับทุกข์นี่ไม่ได้สืบต่อทุกข์อันนี้ไปสืบต่อทุกข์กันคือทุกข์จากเราก็ทําให้คนนั้นเพื่อนทุกข์ด้วยญาติทุกข์ด้วยพี่น้องทุกข์ด้วยเนี่ยพราะบดทนคือเก็บความทุกข์นั้นไว้ด้วยกําลังใจของเราให้ได้แล้วเปลี่ยนความทุกข์เป็นพลัง ที่จะนำไปสู่ความสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ให้อํานาจของกิเลสสร้างมูลเหตุแห่งความทุกข์ภายในใจอยู่เสมอเราก็ไม่สามารถพ้นออกไปจากวงจรแห่งการเกิดได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เกิดมาเที่ยวทุกเที่ยวตายเที่ยวทุกกันอยู่อย่างนี้เกิดตายเกิดตายมาทุกกันอยู่อย่างนี้นก็มีจบสิน้นหะาถ้าเราละงับความทุกข์ไว้ได้ด้วยกําลังความอดทนภายในใจของเรายอมรับความทุกข์นั้นได้ เราก็ยังมีสติปัญญาขึ้นมารู้ว่าทุกข์ก็แค่ธรรมดาเรื่องนี้ธรรมดาผู้ริเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าชายแล้วไปนอนอยู่โคลนต้นไม้ถามว่ามีความสุขเหรือทุกข์สิทำไมยังไม่ทุกข์หลายครั้งหลายหนที่พงค์คิดถึงล่าสมรรม์อยากจะกลับไปแต่พง์ก็สงบใจไว้กดข่มใจไว้อดทนไว้ไม่ไปตราบใดที่ยังไม่ถึงหนทางแห่งความดุพนจะไม่ไปก็กดข่มอยู่นั่นแหละ เสียงสัตว์ร้องก็กดข่มกลัวเสียงสัตว์ร้องในป่าคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงภรรยาคิดถึงราสมบัติก็อดทนกดข่มไว้อยูอย่ในดเบธาพิตรกสูตรพวงพูดเองข่าวที่วงทรงบำเพ็ญไม่ได้มีความสุขเลยเกิดความกลัวเกิดขึ้นท่า ย, ยืนพงก็ต้องยืนเพื่อดูความกลัวเพ่งดูความกลัวในจิตขณะที่เดินอยู่เกิดความกลัวขึ้นแล้วหยุดดูวัน กลัวก็เกิดขึ้นแบบจับจิบจัดใจเหมือนกันในของพระเองค์เองกระตางนอนอยู่คนต้นไม้กลัวสัตว์ร้ายก็ทุกข์ไม่ใช่มีทุกข์แต่ไม่เอาความทุกข์มาเป็นปัญหาแต่เอาความทุกข์มาเป็นปัญญาเพื่อเรียนรู้ตัวความทุกข์นี่แหละจะทุกข์ไปได้แค่ไหนไหากเราคิดอยู่เป็นกุศลในตลอดคิดดี คิดในด้านกุศลธรรมคิดไม่เบียดเบียนคิดไม่มุ่งร้ายคิดไม่ทำร้ายคิดโน้มไปในวิเวกโน้มไปในความดีมันจะทุกแค่ไหนก็ตามเราตั้งความคิดไว้ในทางดีดทุกว์กทุกไปพอ้ยเราคิดดีก็พอหาจะถึงแก่ความตายก็ตายด้วยจิตที่ดีอย่างเงี้ยมันจะทุกดูซิว่ามันจะทุกไปไปถึงความพาเราล่มจมชีพหายได้ไหมหาะเรายังคิดดีอยู่พวกก็คิดอย่างเงี้ยพวกก็บอกโอ้เราก็เห็นแต่ ประโยชน์ของการคิดดีหรือจิตที่เป็นไปในกุศลธรรมเห็นแต่ประโยชน์ของมันไม่เห็นโทษเลยเป็นเพียงแต่ว่าเมื่อคิดมากเกินไปก็ฟุ้งซ่านเราก็สงบจิตในภายในเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านเมื่อสงบจิตในภายในจิตเราก็ตั้งมั่นขึ้นผมก็เลยเริ่มเริ่มเล่าเลเนี่จิตเดิมเน้นการไปปัสสรู้ได้อย่างไรก็นะพี่นะปฏิจจสมุปาทจะถึงการปัสรู้เอาละวันนี้พอแล้วเนี่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละ จนมาเล่าเรื่องนี้จนหนีเรื่องอื่นไปหมดแล้วเนี่ยว่าจะตอบคำถามไม่ได้ตอบแล้ววันนี้เอาเอาไว้วันหลังพอก่อนพอสมควรแก่เวลา